Thank you. ตัวอย่างหนึ่งนะคนนี้ท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์เองคุณแม่ของท่านตาบอดทั้งสองข้างท่านเอาแม่ของท่านไปไว้ตรงไหนทราบไหมท่านบอกว่าคุณทองคำพ่อกับแม่เป็นประธานของบ้านพระประธานในโบสถ์เขาตั้งไว้ที่ไหนอยู่เด่นที่สุดกลางโบสถ์พระประธานของบ้านก็ต้องอยู่กลางบ้านบ้านท่านมีสองชั้น ท่านเอาแม่ไว้ชั้นล่างอยู่กลางห้องโถงเด่นเป็นสงา่าแม่ผมตาบอดผมไม่อับอายขายหน้าใครทั้งนั้นใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ช่างแต่นี่คือพระอรหันต์ของผมผมได้ยินเพียงแค่นี้ผมก็ก้มลงกราบท่านโอ้โหยอดคนจริงๆผมถึงเรียกท่านว่าอาจารย์ได้เต็มปาก คนส่วนมากพอพ่อแม่แก่เท่าหลงหลงลืมลืมก็จะเอาไปซ่อนไว้ในห้องครัวกลัวแขกไปใครมามาเห็นเข้าอายเขาวันขึ้นปีใหม่ผมก็เอาของขวัญไปกราบอาจารย์พอกลับแล้วก็ถามว่าคุณย่าหลับหรือตื่นท่านบอกว่าตื่นผมก็คลานเข้าไปรายงานว่าคุณย่าครับ ผมพันเอกทองคำสีโยธินมากราบคุณย่าครับท่านก็นั่งพับเพียบพัดผ้าสบายเฉียงให้ศีลให้พรเสียงเพราะมากอาจารย์มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมากราบคนตาบอดก็ลูกของคนตาบอดเรายังกราบเพราะเป็นอาจารย์เราแล้วคนตาบอดนี่เป็นแม่ของอาจารย์เราเป็นพระอาหารหันต์ของอาจารย์เรา เป็นคนที่อาจารย์เคารพสูงสุดเราจึงต้องกราบถ้าลูกเทิดทูลแม่ตั้งแม่ไว้เป็นประธานของบ้านใครไปใครมาก็ต้องทำความเคารพแต่ถ้าใครที่ไม่เคารพพ่อแม่เอาแม่ไปซุกไว้ในครัวเราไม่ต้องไปกราบก็ลูกยังดูถูกแม่ไม่เคารพเชื่อชูแม่แล้วเราจะไปเคารพทำไมพอกราบคุณย่าเสร็จ ผมก็หันมาคุยกับอาจารย์ถามว่าอาจารย์กำลังทำอะไรผมกำลังตัดรายจ่ายอยู่คุณทองคำผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถคนสวนค่าใช้จ่ายในบ้านและให้แม่อีกเดือนละสร้อตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันต้องตัดรายจ่ายลงบ้างผมก็ทำหน้าที่เป็น advisor บอกว่า เงินเดือนที่ให้แม่300อนี้ตัดได้นี่ครับอาจารย์หันมามองหน้าผมแล้วยิ้มทำไมละ่ะผมบอกว่าอาหารสามมื้ออาจารย์จัดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าอาจารย์ก็ซื้อให้ใหม่ปีละสามชุดเรียบร้อยเจ็บป่วยไม่สบายอาจารย์ก็หาหมอมาฉีดยาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเงินเดือน300้นี่ตัดได้ครับ ท่านบอกว่าตัดไม่ได้คุณทองคํสาม0้อยบาทนี่สำคัญที่สุดสำคัญยังไงเงินสามร้อยบาทนี่เป็นเงินสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่ผมฟังแล้วสะอึกโอ้นี่เป็นเงินเลี้ยงหัวใจแม่พวกเราเคยได้ยินไหมครับผมนึกว่าให้อาหารให้เสื้อผ้าเจ็บป่วยก็เอาหมอมารักษาน่าจะพอแล้วท่านบอกว่า อาหารกินแล้วก็ไปซ่วมเสื้อผ้าเก่าแล้วก็เป็นผ้าขี้ริ้วหมอรักษาก็รักษาอาการทางกายสิ่งต่างๆที่เราจัดให้ทั้งหมดนี้เป็นอาหารกายแต่สามร้อยบาทนี่เป็นอาหารเลี้ยงหัวใจแม่หัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เอบอิ่มเบิกบานเป็นสุขคุณทองคําลองนึกดู คนที่ไม่มีเงินอยู่ในเนื้อในตัวเลยนี่เป็นยังไงหัวใจมันแฟบหัวใจมันเหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้ยามเย็นใครที่เป็นข้าราชการจะรู้พอเลยวันที่25้าไปแล้วนี่มันเหี่ยวเหี่ยวยังไงชอบกลไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินค่าอาหารไม่มีเงินซื้อข้าวสารมันเหี่ยวไปจนถึงสิ้นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริง แต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านเหี่ยวเฉาพอถึงวันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าจิตใจสดชื่นเบิกบานมีความสุขรับเงินเดือนมาใหม่ๆหน้าสดใสสั่งกาแฟยังเสียงดังฟังชัดทุกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออกผมก็จะเข้าไปกราบแม่บอกแม่ว่าวันนี้เงินเดือนออกครับ ผมนำเงินมาบูชาพระคุณแม่สามร้อยบาทครับเอาเงินสามร้อยบาทใส่มือแม่แม่ก็ให้ศีลให้พรยกหมอนขึ้นเอาเงินวางแล้ววางหมอนทับมีความสุขเดือนละสามร้อยสามสี่เดือนก็เป็นพันใช่ไหมครับแล้วเงินนี่สำคัญยังไงเลี้ยงหัวใจแม่อย่างไรท่านเล่าต่อว่า ตอนนั้นท่านมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่กำลังท้องคนที่สามวันหนึ่งก็พาเมียไปโรงพยาบาลแม่ถามว่าคลอดหรือยังยังครับแม่วันต่อมาถามอีกคลอดหรือยังคลอดแล้วครับแม่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับโอ้ยแม่ดีใจจังเลยได้หลานชายไว้สืบสกุลมานี่มานี่ยกหมอนขึ้น นับเงินส่งให้600บาทเอาเงินห0 0้อบาทนี่ไปซื้อทองมาหกสลึงเอามารับขวัญหลานชายแต่ก่อนนี้ทองคำบาทละส0 0ร้ออาจารย์รีบไปซื้อทองมาให้วันรุ่งขึ้นแม่เขาอุ้มลูกขึ้นมาหายา่ายากอดหลานชายสวมสายส้อยให้เป่าหัวให้เสร็จ พอเด็กคนนี้โตพูดได้มีคนถามว่าสายสร้อยนี้ใครซื้อให้คุณย่าซื้อให้ชี้มือไปที่คนตาบอดคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือคุณยา่าไม่ใช่พ่อแม่เพราะเงินเดือน300อบาทนี่เสีกให้คนแก่ตาบอดครั้งถ้าคุณย่าไม่มีเงินจะรับขวัญด่านได้อย่างไรเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าพอโตขึ้นมีคนถามว่าคนนี้เป็นใคร บอกว่ายายแก่ตาบอดนี้มาอาศัยพ่อแม่ฉันอยู่เห็นระย่งคุณทองคําเงินเดือนเดือนละ300้อบาทนี้ทำให้คนแก่ตาบอดกลายเป็นเทพเจ้าสร้อยนี้คุณย่าให้วันดีคืนดีนะคุณทองคําแม่ครัวล้างชามเสร็จเขามานั่งใกล้ๆช่วยนวดขาให้ย่าหน่อยวันนี้ย่าปวดขา แม่ครัวหน้ามุย้ยทำงานเหนื่อยจะตายล้างชามเสร็จแล้วยังต้องมานวดให้อีกนั่งขยำขยำหน้าควา่ำพอนวดเสร็จคุณย่าหยิบเงินมาให้3ามสิบบาทแม่ครัวยิ้มแป้นหน้าบานยกมือไหว้ขอบคุณค่ะวันรุ่งขึ้นพอล้างจานเสร็จรีบวิ่งมานั่งใกล้วันนี้นวดอีกไหมคะคุณย่า เห็นไหมเงินเดือน3 0 0บาทที่เราให้แม่เรานี่มันมีฤทธิ์มีคนมายกมือไหว้มีคนมาปรนนิบัติมีคนมานวดให้ถ้าไม่มีเงินเดือนเดือนละ300อบาทนี้แม่เราจะมีฤทธิ์ได้อย่างไรวันหนึ่งพระมาเรียไรยจะสร้างโบสถ์อาจารย์นิมน์พระเข้ามาแล้วชี้มือบอกมักทายกว่า โน่นแปลเรียอะไรกับคุณย่าโน่นมัคคทยยกก็บัญญายาว่าจะสร้างโบสถ์กว้างเท่านั้นยาวเท่านี้สูงเท่าไรสวยงามยังไงราคาเท่าไรคุณย่ายกหมอนขึ้นนับเงินมาห้าร้อยพนมมืออธิษฐานขอให้ศาสนาของพระพุทธองค์ยืนยงไปอีก 5,000 ันปีนิพพานปั จ, จโยโหตุทำบุญสร้างโบสถ์ไว้เป็นมิ่งขวัญในพระศาสนา ตกรงเงินเดือนเดือนละ3 0 0้อที่เราให้เป็นบันไดให้แม่ไต่ไปสวรรค์นี่ถ้าแม่ไม่มีเงินในมือแม่ได้ทำบุญไหมพอพระให้พรเสร็จก็เดินผ่านไปบ้านถัดไปยายแก่บ้านโน้นกำลังเก็บผ้าอยู่หลังบ้านมักกะทายกตะโกนข้ามรัว้วทำบุญสร้างโบสถ์หมคุณยายสร้างที่วัดนครนายก นี่หลวงพ่อมาด้วยมาบอกบุญเองเลยเดี๋ยวอีกสักครู่วกกลับมาใหม่ได้ไหมล่ะยายไม่มีเงินหอกยายอาศัยลูกสาวเขาอยู่เดี๋ยวเผื่อลูกสาวเขากลับมาทันจะขอเงินเขาทำบุญยายแก่คนนี้ไม่มีเงินเพราะลูกเอามาเลี้ยงแปะๆไว้ข้างรั้วบ้านเอาไว้คอยเก็บผ้าท่านเล่าต่อว่า คุณทองคําตอนนี้ผมไปแต่งจังหวัดไม่ได้แล้วเวลามีงานผมต้องให้ผู้ช่วยกับรองไปแทนเพราะคุณย่าแก่มากแล้ว90กว่าแล้วเดี๋ยวปุบปับเป็นอะไรไปตอนดึกๆตีหนึ่งตีสองต้องลุกมาดูคุณย่าถ้าคุณย่าตื่นผมจะกลับหลังหันไปชงโอวัตินชงเสร็จเอาไปแช่น้ำให้เย็นแล้วประคองคุณแม่ลุกขึ้น คุณแม่ครับเติมโอวันตินหน่อยครับจะได้นอนหลับสบายคุณย่าลุกขึ้นส่งโอวันตินให้ส่งน้ําเย็นให้เสร็จแต่ถ้าคืนไหนลงมาแล้วคุณย่าหลับนอนกรนผมก็จะเข้าไปใกล้ไปดูหน้าอกแม่มีผ้าห่มคลุมอกไหมคนแก่กับเด็กนี่เหมือนกันห่ผมผ้าแล้วพอดึกดกึหลุด ตีนตีสองอากาศเย็นถ้าไม่ห่มผ้าอาจไม่สบายได้ค่อยๆจับผ้าห่มมาคลี่ห่มให้แม่แล้วจึงขึ้นไปนอนท่านทั้งหลายเห็นภาพชัดเจนไหมอาจารย์อยากจะถามว่าในร้อยหลังคาเรเนี่มีกี่หลังที่ตอนตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาชงโอวันตินให้แม่ อ, อผ้าหม่มมาห่มหน้าอกให้แม่มีหลังไหนบ้าง ขายยากนะอาจมีหนึ่งในร้อยแต่ท่านเชื่อหมายว่าในร้อยหลังค่าวเรือนนี่ตีหนึ่งทีสองแม่ลุกขึ้นชงนมให้ลูกกินทุกบ้านแม่ตื่นขึ้นมาเอาผ้าหม่มคลุมอกให้ลูกทุกบ้านทุกบ้านที่มีลูกเป็นอย่างนี้จริงๆคุณน้าคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายออกมาเล่าให้ฟังว่า ลูกสาวของดิฉันเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย ไ, ได้สามีเป็นด็อกเตอร์ดิฉันแบ่งที่ให้ปลูกบ้านว่างๆก็ไปพักอยู่กับลูกสาวเวลากินข้าวด้วยกันอาหารอะไรอร่อยอร่อ ย, ออยลูกสาวเราตักใส่ช้อนสามีเขาไข่ปลาตักให้สามีอะไรดีตักให้สามีแม่อยู่ทางนี้ไม่ตักให้สามีชอบอะไรทาให้หมด พอกินข้าวเสร็จหันมาคุยกับแม่ถามว่าแม่จะแบ่งมรดกเมื่อไรแม่แบ่งมรดกหนูต้องได้เท่าคนอื่นนะมรดกจะเอาแต่ไม่ปฏิบัติแม่ปฏิบัติแต่สามีแม่เปรียบเสมือนพระครูสามีเปรียบเสมือนหลวงพี่ต้องตักใส่พระครูก่อนจึงตักใส่หลวงพี่จะยิ่งได้บุญแต่นี่ตักใส่แต่หลวงพี่ ดืมพระครูมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คนเขาเล่าต่อๆกันมาอาจารย์ได้ฟังก็อยากจะเอามาเล่าต่อมีคุณนายคนหนึ่งใจบุญสุนทานตักบาตรทุกเช้าตักบาตรเสร็จก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างปันจงประนีชเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาดด้วยความเคารพนับถือในจริยวัดของท่าน และชอบฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าเมื่อตักบาตเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับไปแล้วพระหนุ่มรูกหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกลับเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบเหลือแม่อยู่คนเดียว ปล่อยให้อดๆอยากๆไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองและลูกๆอยู่ตึกใหญ่โตสะดวกสบายเวลาพูดจากับแม่ก็ฟังไม่ได้หยาบคายขูต่ตะคอกกระแทกกระทันผิดกับตอนมาคุยกับสมเด็จที่วัดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแม่จะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมให้ออก มีแม่แก่หลงหลงลืมลืมสติไม่สมประกอบอายเขามีคนมาเล่าให้ฟังหลายรายแล้วเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้สมเด็จนั่งฟังเฉยไม่พูดอะไรวันหนึ่งมีกิจนิมนต์ไปทําบุญบ้านข้ากลับเดินผ่านบ้านคุณนายท่านก็แวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมถึงบ้าน ถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระข่านสมเด็จมาเยี่ยมบ้านจึงเรียกลูกหลานมากราบเท้าท่านเป็นการใหญ่แล้วก็คุยกันเรื่องต่างๆมากมายในตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่าพระในบ้านมีไหมมีเจ้าค่ะพระในบ้านมีหลายองค์เป็นพระเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุขโขทัยก็มีเชียงแสนก็มี อาราธนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูข้างบนสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อว่าได้ทราบข่าวว่าคุณนายมีแม่อีกคนเดี๋ยวนี้อยู่เสียที่ไหนคุณนายสะอึกเสียแปลปาเข้าไปในหัวใจจะตอบตามตรงก็กลัวว่าสมเด็จจะเดินไปดูเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านจะตีเตียนอึกอึกอักอักอยู่ครู่หนึ่งล้วจึงตอบว่า ตอนนี้ท่านไม่อยู่เจ้าค่ะออกไปเยี่ยมญาติอีกนานถึงจะกลับสมเด็จท่านนั่งนิ่งอยู่สักครู่แล้วจึงลากลับคุณนายก็ยังคงไปวัดทุกวันเป็นปกติวันหนึ่งสมเด็จท่านเห็นว่าวันนี้คุณนายยิ้มย้มแจ่มใสพูดจาร่าเริงอารมณ์ดีหลังการทาบุญทาทานสมเด็จจึงถามว่าพระในบ้านของโยม โยมดูแลเรียบร้อยดีหรือยังเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดิฉันจุดธูปเทียนถวายอาหารบูชาเสร็จแล้วจึงมาที่วัดท่านไม่ต้องเป็นห่วงอัตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปพระในบ้านที่อัตมาถามถึงนี่เป็นพระที่ยังมีลมหายใจคือแม่พระผู้มีพระคุณสูงสุดแก่โยมแม่ให้ชีวิตเรามา เคยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฝ้าหอยจนได้ดิดได้ดีทุกวันนี้แม่เหน็ดเหนื่อยทุกทรมานแสนสาหัสแม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ทนหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่ไม่เคยนอนถ้าลูกของแม่ยังไม่หลับยามลูกเจ็บป่วยร้องไห้หัวใจแม่ก็เจ็บปวด และร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยแม่อยากเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของลูกมาไว้ที่แม่ถ้าทำได้แม่ยอมตายเพื่อลูกได้พระคุณของแม่นี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะคนานับเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะโยมเอาตาดูหูใส่เอาใจใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ท่านอ ด, อ, ดอยา ก, ยา ก, ยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลท่านบ้าง อาตมาได้ข่าวว่าคุณโยมหรือแม่อยู่คนเดียวและไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของท่านปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆอดๆ อ, อยากๆไม่สงสารท่านบ้างหรือโยมโยมจัดอาหารมาถวายพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองค์โยมไม่เคยจัดหาให้และตอนที่โยมจัดมาให้อาตมาสังเกตดูโยมจัดมาอย่างดีประนีตปัรจง แต่ก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ชันของโยมไปตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ากลืนไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วอาตมาเป็นพระในวัดไม่ควรเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปถ้าพระในบ้านยังอดพระในวัดก็กลืนไม่ลงการทำบุญให้ได้บุญมากนะโยม เลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนแล้วจึงถวายพระทำบุญแล้วต้องไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำบุญแล้วทุกคนมีความสุขโยมก็จะได้บุญมากนะคุณนายไม่พูดอะไรนั่งน้ำตาไหลลูกๆที่รักทุกคนได้ดูแลพระในบ้านของลูกๆแล้วหรือยังถึงแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดี บางคนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สายเสียแล้วคือรู้เมื่อท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้ว รันที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านสอลูกศิษย์ทุกคนเสียงดังท่านบอกว่าจําไว้นัทุกคนวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจวันเกิดของเราคือวันตายของแม่วันนั้นแม่ต่อสู้กับความตายและรอดมาได้อย่างบุดวิด ต, ตอนคลอดเราแม่บางคนไม่โชคดีเหมือนแม่เรา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 แม่สี่สบหิปีแล้วแม่ก็ยังไม่เคยลืมจำวันเกิดของลูกได้ทุกคนพอถึงวันเกิดลูกแม่ก็จะชเง้อมองอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมแก้มลูกให้ชื่นใจให้สมกับที่คิดถึงแม่นั่งเฉเง้อตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วแม่ก็ต้องเข้านอนด้วยหัวใจที่บอบช้า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 เราก็ทําให้ท่านเป็นการตอบแทนเสร็จแล้วหมอบลงไปยกเท้าท่านวางบนศีรษะเราราลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบไม่ได้ใครทําได้อย่างนี้ชีวิตประเส ร, ริฐเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วเอาอาหารเอาขนมมาป้อนท่านเป่าผลไม้ใส่ปากท่านเอาผ้าสะอาดสอาดเช็ดปากให้ท่าน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 เลียงท่านแต่เฉพาะร่างกายจะมีประโยชน์อะไรเพราะถ้าใจไม่เป็นสุขเสียแล้วจะกินก็กินไม่อิ่ม น, นอนก็นอนไม่หลับแล้วร่างกายจะทนไหวหรือนักศึกษาหญิงคนหนึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วออกมายืนร้องไห้บอกว่าหนูบาปมากหนูทำให้แม่ร้องไห้หนูอยากได้จั ก, กรยานเพื่อนๆนเขามีจั ก, กรยานถีบไปโรงเรียนกัน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 เก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าลูกสาวชอบกินน้อยหนา่าปีนต้นน้อยหนา่าเก็บใส่ฉลอมเอาไปฝากลูกคิดถึงลูกอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยสัมผัสลูกอยากนอนกอดลูกให้ชื่นใจสักคืนหนึ่งพอไปถึงบ้านลูกสาวที่กรุงเทพดีใจมากเปิดฉลอมหยิบน้อยหน่าออกมาหยิบยอดมะม่วงใบกระถินออกมา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 ตอนนี้เขาตายไปเสียแล้วยายจึงจุดทูกเทียนบูชาความดีทุกครั้งที่ยายไหวกระดูกลูกของยายยายจะคิดถึงความดีที่เขาทำกับยายตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงมันทำให้ยายมีความสุขเห็นภาพชัดเจนไหมลูกยอดกระตันยูถึงแม้ตายไปแล้วตายก่อนแม่ก็ยังทำให้แม่มีความสุขยังเลี้ยงหัวใจแม่ได้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 ไม่ว่าลูกจะอยู่ไหนในสังคมลูกจะมีกลิ่นหอมดีกว่าน้ำหอมยี่ห้อใดๆในโลกที่ลูกใช้คนที่เห็นจะรักมองด้วยความชื่นชมจิตใจของลูกปราศจากความขุนข้องหมองใจโกรธโมโหอาฆาตพยาบาทใจของลูกขาวบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิทำให้ลูกมีเสน่ห์มากขึ้น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 ถ้าลูกอยากจะเขินปลดเขินกับการทำชั่วเวลาทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเขินการทำความดีนั้นต้องกล้าหารและเด็ดเดี่ยวหมอบลงไปยกเท้าของแม่วางบนเสียรกล้าวของลูกลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ยอดเอาสิ่งที่สูงที่สุดของเราสัมผัสกับสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่าน